m แรกของการเขา้าพรรษานะก็กาลังจะสิ้นสุดลงสำหรับคนที่อยู่ประจำนะวันนี้ก็เหมือนกับวันก่อนๆ ก, <ม>ก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากวันอื่นมากเท่าไหร่นะยกเว้นว่ามีคนมาวัดนะเยอะขึ้นหรือว่าหนาตากว่าวันอื่นอ่ะแต่สาหรับคนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่นะ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 มันมีโอกาสที่เขาจะเติบโตนะทั้งในทางกายและทางสติปัญญานะแต่ว่าทารกทุกคนนะในท้องแม่เนี่ยจะไม่ยอมจะไม่อยากออกมาเพราคิดว่าในท้องแม่นี่มันสุดยอดที่สุดแล้วนะเป็นสวรรค์สำหรับเด็กทารกในนั้นนะครบเก้าเดือนแล้วนะก็ไม่ยอมออกนะฉะนั้นที่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 มันคิดถึงนะมันอยากได้ยินได้ยินเสียงอุ ก, กทึกคึกโครมนะนะไม่ชอบก็จริงแต่ว่าลึกๆมันก็มีความ อ, าอไลไรอยู่ไอ้ตรงนี้แหละที่มันทำให้หลายคนในเวลามาอยู่ที่นี่เนี่ยแม้แต่นักปฏิบัติธรรมที่จะมาอยู่แค่สี่ห้าวันหรือว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็จะรู้สึกว่าวันแรกๆเนี่ยมันมันหงอยเหงานะมันดูน่าเบือ่อ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 ความโดยเพราะความสะดวกสบายนะอาหารการกินนะแล้วก็อิสระเสรนะีอยู่ที่นี่เนี่ยมันมันแตกต่างกับอยู่บ้านนะอยู่บ้านนี่เร า, า จ, จะอยู่เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราก็าไปทํางานเราไปทํางานไม่กี่ชั่วโมงเรากลับมาแต่ว่าที่นี่เนี่ยเรานะต้องอยู่ตลอดเลยยีบสี่ชั่วโมงนะ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 จำเป็นมากเลยนะที่จะเป็นมิจกับสิ่งแวดล้อมเริ่มจากเป็นมิจกับกุติที่พากของเราเป็นมิจกับสิ่งแวดล้อมนะรอบกุติของเรานะลองมองหาข้อดีของมันนะเช่นว่ามันสงบสงัดนะได้ใกล้ชิดธรรมชาติถ้าเรามองหาข้อดีเนี่ยเราจะเป็นมิจกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายนะแต่ถ้าเรามองเห็นแต่ถ้าเราคิดจะมองเห็นข้อบกพร่องเนี่ยเราก็จะเจอเยอะเลย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 นะการวางใจที่ถูกต้องเดินรู้ในเรื่องการมีสติมีความอดทนหรือคันติเพราะาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นมิจกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงเป็นมิจกับผู้คนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะที่นี่แต่ว่ามันยังทาให้เราเป็นมิจกับตัวเองได้ง่ายด้วย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 คนก็ชอบแบกคนก็ชอบยึดนะทั้งนั้นที่สิ่งที่แบกสิ่งที่ยึดก็ไม่ดีอะไรเลยไม่ไม่ดีเลยนะความไม่ดีของเขาความคดในข้องเอากะดูกของเขาคําพูดที่เสียดแทงของเขารวมทั้งงานการนะที่เต็มไปด้วยปัญหาความผิดพลาดความล้มเหลวนะไอ้พวกนี้มันไม่ดีเลยนะนึกทีไรก็เจ็บปวดนึกทีไรก็ทุกข์นึกทีไรก็โกรธ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 การอยู่คนเดียวกลายเป็นเรื่องง่ายการอยู่คนเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ทรมายต่อไปและเราก็จะเป็นมิกรกตัวเองได้พอเป็นมิกรกตัวเองแล้วนะมันก็ช่วยทำให้เรานะเป็นมิรกสิ่งแวดล้อมเป็นมิรกธรรมชาติเป็นมิก ร, สรม ก, รรกรสถานที่แล้วก็เป็นมิกรกผู้คนได้ง่ายอันนี้แหละคือแบบฝึกหัดสำคัญนะที่เราควรจะเรียนรู้นะแล้วก็ผ่านให้ได้นะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ย